ตั้งยนความสงบทุกคนก็ให้นั่งตามปกติให้ทํากายให้สบายทาจิตให้สงบต่อไปนี้เป็นเวลาที่พวกพุทธบ ร, ริษัททั้งขรรคหัสถ์ปบรญาชิตทั้งหลายจะได้ตั้งใจรับโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโดยความเคารพในวันนี้ในปาลารบซึ่งอ่า ศรัทธานำมาจากกรุงเทพพระนครซึ่งมีทุณคมซึ่งเป็นประธานนำคณะมามากพอสมควรเพื่อจะมาทอดผ้า ป, ป่าณนะวัดหนองประพงในวันนี้เมื่อ ทำกิจอนไรเสร็จแล้วเป็นโอกาสที่ว่างต่อไปเพื่อจะได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งเป็นเมื่อหาอันสาระแก่พวกพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลนั้นก็คงจะไม่มีวิธีรีตองอะไรมากมาย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 อย่าพาคันตันทำใจให้ร้อนบางคนก็จะกระสับกระส่ายในใจว่าวันนี้มีอุปสรรคมากมมการมาสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้น่าจะไม่มีอุปสรรคแต่ว่าเกิดมีอุปสรรคขึ้นบางท่านอาจจะสงสัยว่าอืมว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรกันเนี่ยออันนี้ขอให้เห็นว่า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 ถึงแม้มันจะทุกข์กายมุดอันตรายไปแล้วใจเราก็ยังมีความสุขก็เปลี่ยนฉันนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแต่ตัวพวกเราทางดาดนี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าท่านกบกว่าฟันอุปสรรคอันนี้มาตลอดการตรอดเวลาถ้าไม่มีอุปสรรคนะ ไม่มีบทศักดิ์ก็ไม่มีกำลังใจก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อมันทุกข์ตรงไหนก็พยายามพิจารณาตรงนั้นฉะนั้นทุกนี้พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญยินแต่คนผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่สรรเสริญเลยทุกเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านจึงจัดว่าทุกข์ขัดทุกนี้เป็นสัจธรรม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 ซึ่งว่าอริยสัจคือทุกขสัจคือของจริงเช่นนี้ให้พวกเราควรประกันนึกถึงบุญพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพบทุกขสัจ ท, ท่านพิจารณาในทุกอันนั้นท่านจึงมีความอด ท, ทนชนะมานทั้งหลายทั้งปวงเพราะการประพฤติปฏิบัติดัง น, น, นั้นขอพุทธบริษัทวันนี้จงมีความเข้าใจในการการทำของเราทุกๆคนแต่อจตมาก็ เห็นความลําบากลำบานของญาติโยมทางหลายซึ่งเดินมาจากทางไกลเห็นนั้นมากเหมือนกันแต่ว่าก็มีการดีใจส่วนหนึ่งที่มากที่สุดเหมือนกันมีความบูชาพยายามมาตั้งแต่นโ น, นมาถึงนี้เป็นระยะทางหลายร้อยกิโลนะอันนี้เรียกว่ามาด้วยศรัทธากันจริงๆไม่ใช่มาไม่ใช่มาหนเดียวใช่ไหมามามาบ่อยใช่ดไหยนะ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 อันตรายทั้งหลายเหล่านี้เข้าไม่ถึงแล้วเพราะว่าเข้าถึงจุดมันคือที่ความสบายใจหรือความดีใจที่ฝังไว้ในวิญญาณอันนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงเรียกว่าบุญมันไม่อยู่ภายนอกจับเข้ามาข้างในซะท่านจึงจัดเป็นอริยทรัพย์อรัพย์ภายในน้ำท่วมไม่ได้ ไว้ไม่ได้โจรลักไปไม่ได้อ่ส่วนนี้โยมจะสบายส่วนที่บริจาคไปวันเนี้ยเก็บไปทีมันดีๆแล้วพ้นอันตรายแล้วสบายใจอืมอันนี้เรียวกว่าความสบายใจเนี่ย่ะมันไ ม, ม่มีโทษอะไรฉะนั้นการบริจาคนี้ท่านเรียกว่าไอ้ปราบจเจดิตส่วนหนึ่งซึ่งที่ว่าตัวโรภะอซึ่งมันทําใจเราให้มั่วมอง เมื่อกิดวัวหมองแล้วทําไปได้ทุกประการแขนนั้นการกระทามันนี้ของญาติโยมทั้งหลายเป็นไปในธํานองอันนี้แต่อย่างไรก็ตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่า ก, การให้ทานการหลักษาสีลการเจริญเมตตาภาวนานั้นรวมกันไปหาจุดอันเดียวจุดเดียวคืออันใดจุดเดียวอยู่ที่ไหน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 แม้พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็าตามไม่บังเกิดก็าตามสภาวะธรมเป็นอยู่อย่างนั้นเองไม่แปลไปเป็นอย่างอื่นที่นี่ความไม่สงบของเราทั้งหลายนั้นคือยังไม่ได้ประพฤติทำเนี่ยปฏิบัติธทมเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราัตนว่ะให้เห็นเหตุถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโป สมากัมมันโตสมาวัจจาสมาว า, ายโมอสมาสติสมาจ ม, มาธยีสิ่งทั้งหลายเหล่านี่แหละแปดประการเนี่ยอืไม่ใช่มีแปดมันองค์มันองค์ของมรตมีแปดอย่างอืมรตมีองค์แปดเป็นองค์เพราะมรต ม, มีอันเดียวคือเอกายมร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 ตั้งสติก็ชอบตั้งใจก็ชอบพยายามก็ชอบนี่มันถึงมันชอบที่ตรงไหนมันชอบอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละมันชอบมันจะไปตรงไหนก็ช่างมันมันออกจากจิตรวงนี้เห็นชอบก็ออกจากจิตดำดิชอบก็ออกจากจิตเมื่อจิตแล้วมันตั้งไว้ชอบแล้วมันจะชอบกันไปหมดนั่นแหละไม่มีอะไรจะไม่ชอบ มักทั้งหลายเหล่านี้มันสามาคีกันขึ้นที่จิตใจของเราเป็นนั้นเดียวคือความสงบจุดนี้เป็นทางที่องค์สมเด็จพระชมมาสัมพุธทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าให้เดินมักอันนี้เป็นสัมมามักอันนี้เมื่อเราคิดเนี่ยจิตใจสงบเช่นว่าเราถูกอารมณ์อันใดเกิดขึ้นมาถ้าเราเป็นสัมมาถิมีความเห็นชอบแล้ว ทุกอย่างมันชอบทั้งนั้นเน่ะไม่มีผิดเพราะธรรมะท่านสอนในการปล่อยวางไม่มีอะไรเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นมาในความสุขอันนี้ท่านก็สอนว่าสักวัทสุขทุกเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอันนี้ก็สักวัฏ ท, ทุกไม่มีใครสุขและไม่มีใครทุกเป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นมาเฉย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 ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนะี่ยถ้าเราคิดเช่นนี้ก็เยเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็ไม่ได้ไปเป็นเจ้าของสุขนั้นเราก็ไม่ได้ไปเป็นเจ้าของทุกันนั้นสุขทุกันนั้นได้เป็นของที่ไม่มีเจ้าของนะไม่มีเจ้าของถ้าใครก็ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อไปเป็นเจ้าของชิงทั้งหลายเหล่านั้นของทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มีเที่ยงเป็นทุกข์มันไหลไปเรื่อยไ ป, ยยไปบางทีมันก็หายไปบางทีมันก็ได้มาเราก็ดีอกแล้วก็เสียใจตามวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อว่าอันนี้เกิดความยุ่งขึ้นมาเพราะว่าตัวมิจฉ า, าทิฏฐิมันเข้ามาแทร้มันเข้ามาแทรกให้มีความเห็นผิดเช่นนั้น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 ถ้ามันเกิดเกิดมาแต่เวทนานี่สุขเวทนานี่กสักวัติสุขเวทนาทุกข์ที่เกิดขึ้นมานี่กสัจวัติทุกเวทนาเท่านั้นเกิดแล้วมันก็ดับไปเจ้าของสุขนั่นไม่มีเจ้าของทุกข์นั่นมันก็ไม่มีพระพุทธเจ้าจัานในพิจารณาอย่างนี้เ อ, อเมื่อเราพิจารณาเข้าไปชนีบ่อย เจแปจโกเรียกจิกตเราเข้ามาดูสิว่าอันนี้คืออะไรอันนี้มันคืออะไรสุนนออรกนี้มันคืออะไรทุกนี้มันคืออะไรมันเป็นของแนนอนไหมมันเที่ยงไหมหรือมันเป็นยังไงพิจารณาตามมานันเราพอมองเห็นนี้ว่าสภาวะที่เราเป็นอยู่นั้นะเราเคยสุกมาไหมเคยมาแล้วมันหายไปมีไหมหายไปมันก็มี เดีวทุกมันเคยมีไหมเคยมีทุกมาทุกโผล่เดี๋ยว่ามันทุกไปตลอดไหมบางทีมันก็หายไปนี่อเราจะไปเอาเรื่องเอไรอะไรกับสิ่งทางหลายเหล่านี้นี่แต่เป็นอารมณ์อย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เมื่อเรารู้สิ่งทั้งสองประการนี้จิตเราก็สงบอสงบสง บ, สงบทําไมถึงสงบเพราะเราไม่ไปเป็นเจ้าของอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราใช้สิ่งทางไหนแถวนี้ได้ตามสบาย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 ถ้าไปอยู่เหนือเสียงทั้งหลายแล้วนั่นเราก็แบกมันโดยอุปทานว่าอันนี้ของเราอันนี้เราด้วยไปอันนี้เสนอมันเป็นวิชชาทิฏฐิใ้ความเห็นที่เกิดขึ้นมาเพราะเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรผิดหวังอันนั้นเธอจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้แกจึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตามปรารถนาของเรามิฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัทเราทางไหนเพื่อให้พ้นจากวัตตะสงสารทุกทุกคนแต่ว่าเราสัตว์คู่ที่มีกิเดียณาปัญญาหยาบนั้นก็คิดไปอย่างนึงที่ฟังธรรมะแล้วอะไรก็มาแจกของตนอะไรก็มาแจกของตนทั้งนั้นกลัวจะไม่ได้ก็ไม่สบายใจ ในความเป็นจริงนั่นที่เรียกวของตนหรือของตนน่ะตนหรือของตนนั้นเป็นได้แต่ว่ามันเป็นของสมมุติแต่ว่ามันในเป็นมีมุติเราต้องเรียนรู้มันซะทุกอย่างน่ะมันเป็นของสมมุติเช่นตัวของเราเนี่ยะตัวของเราเนี่ยชื่อเรานี่น่ะอไม่มีชื่อมาตั้งเมื่อวันเราเกิดนะเกิดมาแล้วมาตั้งชื่อใหม่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 ที่ตรงนั้นทําไมจึงสมมติมันเพราะตรงนั้นมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจึงสมมุติว่าให้มันเป็นนายนกรนายขเอใช่ไหมนายกรนายขอนั่นจึงถูกสมมติขึ้นมาไม่ใช่ในายขอริ่งนายขอริ ง, รงเป็นนายขสมมุตินายขสมมตุติมันไม่ใช่วิมุตถ้าไปถามถึงแล้วจริงๆเนะี่ยมันจะไม่มีอะไร เป็นสภาวะธรรมเท่านั้นเกิดแล้วมันก็รับไปนับไปแล้วเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็รับไปเกิดเกิดดับดับอยู่เช่นนั้นสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเรานำเอาอันนี้ไปพิจนารณาเราจะได้เห็นตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนจริงๆริงท่านสอนจริงๆเิงฉะนั้นเราจึงเอาเรื่องอันนี้ไปประพฤติธปฏิบัติ เมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงมันเช่นนั้นแล้วนะไม่ใช่ว่าเราจะทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะจนลงไปเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เราอันนี้ไม่ใช่ของเราเช่นเนี้ยยิ่งสบายกว่าเก่ายิ่งสบายใช่ของนั้นยางสบายสบาย น, นะบางคนจะถ้าคิดเช่นนั้นแล้่ยะไม่ไม่อยากจะทำการงานอะไรทำแล้วก็ไม่ใช่ของเราเนยะ ไอ้คนเป็นจริงอ่ะไอ้คนที่ทําอะไรวะใช่ของเรานัเนี่ยคนนั้นมันเป็นทุกข์มากมันเป็นทุกข์มากทีเดียวแหละเมื่อเราทําไปทําไปทําไปอยู่ก็เห็นว่าอันนี้ทําไปเพื่อการกระทําแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทําไปด้วยวางไปด้วยลไปด้วยี่ตามความเป็นจริงของมันที่นั้นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในความเห็นชอบ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 ท่านจงมองดูโรคอันนี้ให้เป็นของว่างอย่างนี้คนก็ตกใจนะมองดูโรคไี่ให้มันเป็นของว่างมัจยุราชจะตามไม่ทันจะมองไม่เห็นตัวเราท่านสอนท่านสอนพระมองหเห็นเป็นของว่างคำที่ว่าเรามองหเห็นเป็นของว่างนั่นเห็นว่าจะมันไม่มีอะไร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 นะห ม, อม้อมูดเอามาก็มาตักข้าวหุงใส่กินกันสบายนะไอ้เขาไม่รู้เรื่องไอ้ที่คนฉลาดมาก็มาเห็นนี่มันทําอะไรกันเนี่ยนะมันน่าดังเปียดเนี่ยมีหม้อมูดเนี่ยมันเอาไปเป็นหม้อข้าวไงกันเนี่ยน่ารังเปียดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่กลุ่มหนึ่งเป็นคนโง่กลุ่มหนึ่งเป็นคนฉลาดทําไมถึงจะดันเปรียดมันเล่าหม้อมูดนั่นกใ็ใหม่ๆ ไม่ได้ไปทำอะไ ร, รออก็เหมือนหม้อธรรมดาเหล่าเนี้ยมันก็สะอาดอยู่แล้วทําไมเกดระเกยียดปัญญาก็เพราะเราก็ไปยึดว่ามันเป็นหม้อมูดแต่เองไอ้ความเป็นจริงมันเป็นหม้ อ, อสะอาดธรรมดาเรานี้แหละนี่เขาไปยึดมัน่นถือมั่นมันเลยเกิดทุกข์มาเกิดดะเกยียดขึ้นมาแล้วก็ไปเห็นคนนั่นเออไอ้อ น, นี้มันโง่อนอะอันนี้มันเป็นหม้อมูดเขาเนี่ยอืมเอามาตักข้าวจะทําไมล่ะ ไอ้คนสองคนอย่าบอกคนไหนฉลาดคนไหนโง่นี่อันนี้เรียกว่าวัตถุหมอโมโดมันก็ไม่รู้จักมันหมอธรรมรามันก็ไม่รู้จักมันเราก็ไปสมมุติมันขคือเป็นมอโูดก็เลยรังเบียดกันอเอาไปใส่แกงก็ต่างเบียดกันเอาไปใส่ข้าวก็ต่งเบียดกันทุกอย่างนี่ใครตังเบียดใครนี่เพราะเราเห็นผิดติดสมมุติถ้าเป็นมอโมดก็เป็นมอโมดจริงๆ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 ทุกสิ่งทุกอย่างรวมตรงนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังถึงว่าให้พูดอย่างใจอย่างเขาเรียกว่ากะโทนก็าเรียกกับเขาได้เขาเรียกว่าม่อมูดก็เรียกว่าได้นี่แต่พูดอย่างใจอย่างคือพูดปรับตัวเขาห้ายถึงกับโรคเขาเสมอกับโรคเขาความเป็นอยู่ในโรคอันนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าในสาวกของท่านทั้งหลายนั้นท่านก็มีความเป็นอยู่กับประชาชนทั้งหลาย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 ใจก็ไม่วุ่นวายจิตใจมันว่างฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของนอนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะมันเป็นยังไงธรรมะที่ทองทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีในโลกแบบนี้นี่ทุกอย่างจะมองเห็นโดยตาก็เป็นธรรมะจะได้ยินด้วยหูก็เป็นธรรมะจะได้กินด้วยจมูกก็เป็นธรรมะ มันเป็นธรรมภาพไปหมดเพราะว่าธรรมภาพแปลว่าสภาพทีทรงตัวมันอยู่อย่างนั้นเออมันเกิดแล้มันก็ดับไปเช่นนั้นมันไม่ต้องการอะไรไกลของมันนั่นงั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปก็มาน้อมกมาถึงกายและใจของเรานี่เองมันอยู่อื่นไกลไอ้ความดีทั้งหลายความชอบทั้งหลายการปฏิบัติทั้งหลายน่ยมันอยู่จิตกายกับใจของเราไม่ใช่เป็นเป็นของมาก กายนี้อย่างหนึ่งใจนี้อย่างหนึ่งเดียวนี้สิ่งสองสิ่งนี่ก็อยู่พร้อมกันเรียกว่าเรามีอยู่เรื่องกายเรื่องจิตมีอยู่แล้วก็คือข้อปฏิบัติปฏิบัติเทนี่ปฏิบัติกายกับกจิตเดียวเทนี้รูปกันเทนี้มีของสองอย่างตัว น, นี้เองถ้าท่านพูดตามประสูนย์ประพิษฎานไปร้ายอย่างไร้ป็นการเมื่อสาหรุลงแล้วเห็นวันทำรูปประธรรมเป็นรูปปธรรมเป็นนามปธรรม สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาของเรานเรียกว่ารูปอันนี้ก็มีอยู่เราก็เห็นมันอยู่เดีมันเกิดแล้วแก่เก็บตายอย่างทุกคนก็เป็นมาอย่างนั้นจิตใจของเราหนีก็เหมือนกันมันก็เกิดมาแล้วมันก็ดับไปกายกับจิตทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ารูปกับนามนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เนนนอนของไม่จริงไม่จัง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 มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้คือความจริงมันแปรมันพลนี่เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเรียกว่าอันนั้นแนละยเป็นธรรมะที่มีอยู่ในกายในใจของเราทุกวันนี้เมื่อเราสร้างคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เพื่อให้เรามุ่งเข้าไปเห็นธรรมอันนี้ตามความเป็นจริง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 ที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเหตุของอนาคตอยู่แล้วเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เรียกว่าไอ้อดีตอนาคตมารวมยึดหยุดอันเดียวคือปัจจุบันฉะนั้นมาทำปัจจุบันนี้ให้มันเป็นปัจจุบันนั้นี้ปฏิบัติเห็นทำในปัจจุบันว่าวันนี้เราทำอะไรว่าเดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอเนี่ยจิตของเราวันนี้พุกไหมสุขไหมเป็นอะไรไหม ก็เห็นในปัจจุบันนี้ไม่ต้องตามไปถึงอดีตแล้วไม่ต้องตามไปถึงอนาคตแล้วเพราะเหตุมันอยู่ตรงนี้ผลมันก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านถึงสอนเมื่อกาตตรู้ธรรมใหม่ๆได้ถกธรรมเทศเป็นปมฐมโพธิการท่านเทศเรื่องการมาสุ ข, ขัญิการนุโยโภ อ, อัตตะยิรมาฐานิโยโหสองประการเท่านี้เองสองประการท่นี้ การมาสุขานิการโยโคคือความสุขติดในความรักติดในความสุขติดในความ ส, ามสบายจมลงไปลึกมันลึกไม่ค่อยจะเห็นพิ้งยากเหลือเกินเนี่ยไอ้ความสบายไอ้ความสุขความลึกเนี่ยเป็นกิเลสส่วนหนึ่งที่คนมองไม่เห็นและบุคคลเราก็ปรารถนาด้วยในเรื่องการเรื่องสุขสบายมันจมลงไปในพื้น ไม่ค่อยเห็นเงื่อเห็นตัวติดความสบายแล้วเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ บ, บอกว่าเป็นการมาชุก ข, ขันนิการในโยคโคถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความสงบเมื่อเห็นเช่นนี้ให้ระวังเหมือนกับเห็นทางโค้งจะได้มองเห็นป้ายก็ตันว่าอนันนี้โค้งโค้งอันตรายนะเห็นไหมเราเรานั่งรถไปเห็นทางโค้งไหมไหม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 อันนี้ประการอันหนึ่งประการที่สองท่านพูดถึงความทุกข์มือความไม่ชอบหรือพูดถึงความโกรธสะเพรว่านะอันนี้ก็เป็นโค้งเหมือนกันโคงอันตรายเหมือนกันอันนี้คนไม่ชอบเป็นกิเลสอันนี้แต่คนไม่ชอบทุกข์ไม่ชอบมันเป็นอัตตะยิรามฐานโยโคไม่ชอบ แต่สุขนี่ชอบทุกข์ไม่ชอบสุขฉันจึงชอบไอความเป็นจริงนั้นนะ่ะสุขหรือทุกข์เนี่ยนะมันมีโทษเท่าเท่ากันมันมีโทษเท่าๆกั น, นะ ม, น, ม, กนมีคุณค่าเท่าเท่ากันแต่ว่าสุขนั่นนะ่ะมันเข้าข้างเราไอความรักเนี่ยมันเข้าข้างเรา ไอ้ความีดยดนนั้นมันไม่เข้ามันอยู่ข้างนอกมันหยาบเเกินมองเห็นอย่างง่าย เ, เมื่อเกิดขึ้นมาเดา้ดงไม่ใจดีดีใจไม่ได้ไอ้ความดีใจนั่นแหละเราพากันแสเบงกันแสเบงหาความดีดีใจดีใจก็เป็นกิเลสอย่างยิ่งเหมือนกันนะเหมือนกันกับความที่ไม่ดีธรรมะแท้ๆจริงนั้นนะพระพุทธเจ้าท่นให้มาไม่ให้ยินดียินร้าย ไม่ให้ยินดียินร้ายเราประพฤติปฏิบัติทำยังไงมันจะถูกต้องกามาจุขันนิการโยโภอตตะกิรปฏฐานโยโ ค, ตต ค, โยโคเราเห็นสองข้างเสมอได้ทีเดียวสุขเกิดมาย่ารู้อย่างทุกเกิดมาเรารู้สองอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกปฏิบัติให้เป็นสัมมาปฏิปทาของจิต เมื่อเห็นความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็วให้รู้โทษของมันเลยอย่าไปจิดมันเลยอย่าไปหมายมัม่นมันเลยอย่าไปมืดมันอย่าไปยึดมันมั่นหมายมันเลยถ้าเห็นว่าสุขนี่กษัตริย์ก็แต่สุเสขเท่านั้นมันก็หายไปทุกเกิดขึ้นมาตือเหมือนกันให้ดู้วัฏภาวะคือทุกเนี้ยก็ศัต่าทุกเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยสักก่เป็นทุกทางซ้ายท่านก็มาเหยไปทางขวาท่านก็มาเหยไป ให้ทันตรงแน่นอนไปเลยทุกไว้ข้างนี้สุกไป้ข้างนี้นี่เป็นสมาปฏิปปทาของจิตถ้าเราประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตจะเป็นเช่นนี้นะจิตมันปิดจากทางเราก็รู้จักเมื่อมีความรักเกิดขึ้นมามันจะไปยึดมัน่นเราก็บอกว่าเอย อ, อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเนะี่ยสิ่งใดเราเราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์เราก็เตือนจิตนะว่าเอออันนี้ก็อันตรายเหมือนกัน ที่ไหนที่ไม่เป็นตรลายทุทธ่ไหนที่มันไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละไม่เข้าข้างสุขไม่เข้าข้างทุกนั่นเองตรงนั้นเป็นสมาปฏิปทาของพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่เดินไปนั่นนั่นเรียวกว่าเป็นปฏิปทาพอดีพอดีนี่เดี๋เราถูกต้องแล้วเราต้องรู้จักธรรมาก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านย้ำเหลือเกินเพราะท่านติดมาหลายภพหลายชาติแล้ว ท่านก็นึกว่าสุขดันดีท่านก็เอาที่สุขนั่นแหละทุกท่านก็ไม่เอาดังนั้นเนี่ยท่านเข้าใจว่ามันดีแล้วไอ้ความที่กยิงสุขนั่นมันเปลี่ยนขึ้มันได้มันก็ไม่แน่เหมือนกันดีดีดีก็เหมือนกันนี่ประพฤติดีเมื่อได้ดีแล้วให้อยู่เหนือมันนะอย่าไปะยุู่ใต้มันให้รู้จักดีถ้าไม่รู้จักดีมันก็ไม่ดีอีกแล้วมันเป็นเช่นนั้นเช่นั้นจึงว่าธรรมะเนี้ยมันอยู่ที่จิตใจของเราผู้ที่มีปัญญามองเห็นได้ง่ายๆ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 จิตมันฟุ้งซ่านดำคานเอาอารมณ์เนี่ยเป็นหลักเอารมนี่เป็นหลักไว้ เ, เพื่อจิตกขยับยั้งให้เห็นอยู่ในพุโทโธอันนี้เท่านั้นเองพุโทโธนี่รู้สัพพัสสารพัดทุกอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าคนนู้ตรัสมาทันย่อเป็นคำพูดอันนี้ว่าเป็นพุโทโธพุโทโธบางคนจะไปภาวนาพุโทโธไว้ไม่เห็นได้อะไรบางทีก็ง่วงนอนเชซ้ำนะไม่เห็นผลประโยชน์มัน นะพุทโทธแตนแปลว่าผู้รู้หรือผู้ตื่นก็เรื่องจิตใจเรานี่เองเป็นผู้รู้แหรก็เป็นผู้ตื่นมเมื่อกิจเราสงบทำกิจสงบที่เรียกวิ า, ส า, วานะัสส น, นาภาวนานะวิปัสสนาภาวนาในครั้งพระพุทธเจ้าของเรารูไม่ค่อยมีมีแต่ว่าท่านประพฤติหรือปฏิบัติทำเท่านั้นวันรลุสึทธธรรมะปฏิบัติธรรมะ บัดนี้เรามาแยกกับสมถะบิปัสนาบางคนก็เข้าใจแยกกันออกฉันจะทําสมถะซะก่อนอีกปีสองปีท่านจะทําบิปัสนาไอ้ความเป็นจริงสิ่งสองสิ่งนี้มันแยกกันไม่ได้ฮะมันแยกไม่ได้กําลังของสมถะคือความสงบอย่างเราอยู่บ้านมันวุ่นวายออกมาอยู่ป่าใช่มันไกลลู่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 จะต้องมาพักผ่อนจะต้องมาให้มันสงบเป็นบทบาทของมันทางแรกเท่านั้นเองต่อไปนั้นไอ้ความสงบในทีน่นี้มันไม่ใช่เป็นของสงบที่แท้จริงสงบที่แท้จริงคือความรู้เกิดขึ้นมาจากความสงบอันนั้นรู้แจ้งต่างสิ่งทางหลายต่างควงรู้เท่ารู้ถึงถ้าเรารู้ไม่ถึงมันก็ไม่สบายมันก็เป็นสมาธถ้ามันรู้ถึง มันก็สบายอืมันก็ใจเช่นกระทบนใบเนี้ยเราทุกคนก็เรียกว่ากระทบนกันทางนั้นละรู้แต่มันมันรู้ไม่ถึงอืมถ้าไปบ้านอื่นเขาเรียกว่าหม้อเราก็จะไปว่าเขาอีกละ<ม>อืมนะเรียกว่าหม้อเขาเรียกว่าหม้อกันเราก็จะไม่สบายใจนะไอ้ความเป็นจริงนั่นคือเรารู้ไม่ถึงมันไม่รู้กัรู้ไม่ถึงกระทบน ถ้ารู้ถึงมันนะเขาจะเรียกว่ากะาระโถนแล้วก็สบายเขาจะเรียกว่าหม้อแล้วก็สบายเพราะวัตถุอันนี้ไม่มีกระถนในที่นี้ไม่มีหม้อในที่นี้มันจะเกิดเป็นกระโถนขึ้นมาแล้วก็สมมติเอาว่าเป็นกระโถนมันจะเกิดหม้อขึ้นมาแล้วก็สมมติโดวนว่าหม้อแต่แล้วทางเป็นความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าหม้อกับเขาก็ได้เรียกว่าการะโถนก็บเขาก็ได้ถ้าเรารู้ตามเป็นจริงนะรู้ถึงที่รู้แลยเขาจะเรียกอะไรก็สบายใจอยู่ มันเป็นเช่นนั้นอารมณ์ทางหลายทางปวงเช่นนั้นเมื่อเราดืมตาขึ้นมาแล้วจิตเราสงบทําไมมันถึงสงบมันรู้ตามเป็นจริงของมันเหมือนกับบุคคลที่รู้กระโหนใบนี้ให้ถึงกระโหนถ้าคนรู้ถึงกระโหนเนี่ยไม่มีอะไรก็จะเรียกว่าถ้วยก็ได้ก็จะเรียกว่าหม้อก็ได้ก็จะเรียกว่ากระโหนอะไรใจก็ยังสบายอยู่พราะมันรู้ถึงกระโหนเช่นนั้นชั้นใดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้า ร, ารู้ธรรมะ ในรูปอันนี้ในนามอันนี้ตามเป็นจริงแล้วเช่นนั้นเราก็จะประกันมีความสบายสงบอยู่จากอันนี้<อ>สักกายะติทิวิจิจิชาศชิรพัตาประมาตอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้สงสัยแล้วในสมมติอันนี้ในขันกอนนี้ในกองอันนี้ในรูปอันนี้ในนามอ น, นี้ไม่สงสัยแล้วไม่ยึด ถือเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเห็นตามเป็นจริงแล้วศีลปตาประมาทรูปคำก็ไม่รูปคำใ้ความรู้สึกมือคิดอันนี้อันนี้เป็นเริีอย่างหนึ่งถ้ามันหายออกจากใจของบุคคลเหล่านั้นก็เปลี่ยนทันทีเลยว่าเป็นอริยกิจนายู่เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้คือผลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติให้รู้ตามเป็นจริงเรียกว่าปัญญามิฉะนั้นญาติโยมเราทั้งหลายก็ค่อยๆทําไป ค่อยๆทาไปทําสมถะมันเป็นอยู่ในนี้แหละวิปัสนามันก็เป็นอยู่ในนี้แหละแยกกันไม่ได้หรอกแต่พูดแยกกันได้แต่ไอตัวมันแยกกันไม่ได้ี่มันแยกกันแบบเช่นว่ามะม่วงใบหนึ่งนมันจะแยกมันออกไม่ได้ะอมันยังเล็กอยู่นมันยังเล็กอยู่แล้วมันก็โตขึ้นมา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 ไปตามไปฮะใครทั้งนั้นไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละธรรมะนี่เดินตรงไปเชนีบุคคล น, นั่นจะสงบนะผู้ตามไปตามความสุขนั่นแหละคนนั้นจะทุกขนะ์ผู้วิ่งไปตามความทุกข์นั่นแหละคนนั้นก็จะทุกข์<อ>นี้พระพุทธเจ้าตรันสอนให้ไปครึ่งๆชนนี้เป็นสัมมาปฏจิพตาพูดเรื่องจนะิตน่ะไม่ใช่พูดเรื่องอื่นพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของร่างกาย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 ทางการยืนการเดินการนั่งการนอนเช่นนั้นเป็นต้นอันนี้คือผลที่เราประพฤติปฏิบัติในถึงความสงบระงับวันนี้ญาติโยมเราทั้งหลายนะที่ได้มาบำเพ็ญการบริจาคสมทานสึ่งศรินได้ฟังพระัธรรมเทศนาในวันนี้ทั้งสมประการนี้รวมเข้ากันเป็นกลุ่มมันเดียวกัน เพื่อจะทําจิตของญาติโยมทั้งหลายให้รวมเป็นสมาทิฏฐิเมื่อรวมเป็นสมาทิฏฐิแล้วไม่วันใดก็ไม่วันหนึ่งมันถึงที่สุดทุกข์จริงๆฉะนั้นพระพุทธเจ้ากอเราตนจึงสอนในถึงความสงบในความสงบนี้มันเลิศจุดหมายแล้วอมันเป็นเฉะนั้นฉะนั้นวันนี้เวลาที่ญาติโยมทั้งหลาย ที่ได้มานั่งฟังธรรมนี้เวลานี้มันก็เวลาของโยมมันจะน้อยแต่เวลาของของเวลานะ่ะมันมากหรอกจะได้เหนื่อยกันนะมั้งทีนี้ก็เอาแต่พอสมควรการบรรยายธรรมมาวันนี้ก็ให้น้อมกับไปเป็นโอปนายกธรรมให้ไปเข้าถึงใจของเจ้าของให้อยู่ในใจของเรา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 ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจดีแล้วตั้งเจตนาดีแล้ว ม, มาถวายผ้าบ่าในวันนี้ขอส่วนคุณงามความดี น, นี้จงปกปักรักษาญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธามีจิตนวันนี้คนที่สุดนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจนมีส่วนขอแห่งปริพานในอนาคตการทางหน้า น, น้น